ท่านฟังที่ครบค่ะรายการนี้นะคะสัมมนาสนสทนาโออกาสอยู่ทาง FM106 ครอบครัวข่าวหรือว่าถ้าท่านทั้งหลายมีความสามารถในการที่จะดาวน์โหลดพวกแอปพลิเคชันมีอุปกรณ์ในการที่จะรองรับเนี่ยนะคะตอนนี้เราก็มี106 Family News ภาษาอังกฤษนะคะหนึ่งศูนยแล News เป็นชื่อของแอปพลิเคชันที่ท่านดาวน์โหลดได้ฟรีเอามาเปิดฟังรายการกันเมื่อไปอยู่ที่ไหนก็ได้ ที่มีสัญญาณโทรศัพท์นั่นเป็นเพราะว่าข้อจำกัดของวิทยุประเภท FM เนี่ยนะคะจะมีขอบคายของการได้ยินไม่มากนะักไม่เหมือนกับ AM และเดี๋ยวนี้ AM FM นี้ก็แทบจะไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะจะต้องไปด้วยระบบอินเทอร์เน็ตนะคะถึงจะสามารถไปได้กว้างใหญ่ไพศาลมากที่สุดเดี๋ยวต้องไปกราบเรียนถามท่านิบูลในฐานะท่านรู้จักเทคโนโลยีมากๆสักหน่อยว่าไพศาลที่สุดเนี่ยจินตนาการของทีฉันมันไปไกลามาก จะไปถึงจินตนาการนั้นหรือเปล่ากลับมามาสการอีกรอบนึงคะ่ะท่าเนเพื่อนบุญคะเสี่ยมพานฉะนั้นกําลังคิดว่าความสามารถของอินเทอร์เน็ตเนี่ยคะ่ะอืมสมมุติเกิดมีคนนั่งยานอว ก, กาศไปนอกโลกได้ละรับได้ไหมคะท่านคะเพะถ้ามันต่อขึ้นไร้สายไปได้ก็รับได้นะคิดว่านะคะหรือถ้ามันเป็นนอกโลกมันเครียก อ, อะไรคะไม่มีไม่มีอากาศ อ, อย่างนี้มันจะมีตัวรับไหมคะท่านคะได้ก็คือนักไออะไรละ่ะ ยานอวกาศนะ่ะที่เขาอยู่นอกโลกน ะ, ะนีน่คือเป็นสุญญากาศแล้วนะนะก็ไม่มีอากาศนะเขาก็ยังส่งสัญญาณพูดคุยกันได้นะทางโทรศัพท์คนอยู่ดวงจันทรนะ์ส่งสัญญาณวิทยุสมัมยก่อนนี่ก็ดีเลยทั้งหวินาทีแต่ก็ยังพูดคุยกันได้นะค่ ะ, ะนี่จะทำให้ความใช่อันนี้อันนี้นนเป็นเรื่องของอเขาเรียกว่าวิเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์นะในขณะเดียวกันมันมีการสื่อสารชนิดที่เราว่า เหนือไปยิ่งกว่านั้นนะก็คือเรื่องของจิตเป็นวิทยาศาสตร์ที่อาจจะยังไม่ได้มีใครมาค้นคว้าตรงนี้มากนะะซึ่งพระเจ้าได้คนพบว่าอาการสื่อสารทางจิตกันก็มีใช่ไหมบางคนที่มีความสามารถพิเศษในการที่จะรู้ใจคนอื่นโดยที่ไม่ต้องมาต่อสายไม่ต้องให้เขามาแชทให้เราฟังอย่างเงี้ยนะไม่ต้องมีสมาร์ทโฟนก็รู้ใจเขาได้อย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะที่เคยเหมือนกับดูหนังอยู่บ้านเหมือนกันแต่เป็นคนดูหนังน้อยนะคะ จําได้ว่าจินตนาการของคนสร้างหนังในขนาดที่ว่ามนุษย์ต่างดาวโดยไม่ต้องพูดกับเราเลย อ, อ่านใจเราออกใช่คนที่มีความสามารถทางจิตอย่างนี้ก็มีในเป็นมนุษย์ธรรมดาน ะ, ะธรรมดานี้หมายความว่าเขาด้วยความที่เขามีศีลมีสมาธิตรงนั้นเลยทําให้เขามีปัญญาในการที่จะรู้มีความรู้พิเศษพวกนี้ขึ้นมาได้จริงๆแต่ว่าไปนะคะดิฉัน ค, คิดเหมือนกันนะอยากจะรู้เหมือนกันว่าคนอื่นเขาคิดยังไงเนะะี่ยค่ะ เรื่องที่ว่าจะไปอ่านจิตคนอื่นใช่ไหม <c oughs> จะฝึกยังไงกันต่เอาก็ศีลสมาธิปัญญานี่แหละหนูชอบพูดถึงว่าถ้าเราต้องการมีความสามารถพิเศษพวกนี้นะเช่นมีเจตปริย า, ยานมอาีอิทธิบาตมีอิทธิวิธีต่างๆพวกเนี้ย่ถ้าเธอต้องการพวกนี้นี่เลยศีลสมาธิปัญญาต้องทําให้เกิดขึ้น<ร>ก็จ ะ, <ร>ะทำได้ผู้ทรงได้ตรัสให้รายละเอียดเอาไว้บ้างไหมคะเช่นสมมุติว่าถ้า คนที่ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาอย่างที่ท่านว่า น, นะคะอืะวันหนึ่งก็ถึงจุดที่สามารถที่จะเข้าใจจิตของคนอื่นว่าคิดอะไรอยู่ได้ใช่ะจะเข้าใจได้ด้วยวิธีใดรู้ไปหมดเลยไหมใครเดินผ่านมาในรู้จิตเข้าไปหมดเลยหรือว่ามันเป็นการต้องทำรายละเอียดอย่างอื่นหรือว่าไม่ได้ตรัสไว้ค่ะพระเจ้าเปรบเหมือนกับคนที่ยืนอยู่ตรงกลางแล้วก็เห็นคนที่ออกจากบ้านนี้ เข้าไปบ้านนู้นออกจากบ้านนู้นมาบ้านนี้ไหนะเห็นอย่างนี้ไหนะนี่คือลักษณะอุ ป, ปมาบอกคือคนที่เขารู้เนี่ยนะก็ไม่ต้องมีการมาบอกเขาละเขารู้แล้วใช่ไหมแต่คน ท, <ะ>ที่ไม่รู้เนี่ยมันจะอธิบายยังไงล่ะเอายกอุ ป, ปมาอุปไม่อย่างง่ายที่สุดไหนะก็เลยเปรียบเหมือนกับคนที่อยู่ตรงกลางแล้วเราเห็นคนเข้าคนออกไหเช่นเดียวกันคนที่มีตาทิพย์คนที่มีหูทิพย์เนี่ยไหนะเขาได้ยินเสียงที่อ่าที่เราไม่ที่เร า, ท, เราที่เขาเขารู้อ่ะ นะหรืออีกอุปมาอุปไมยหนึ่งผู้เจ้าพูดถึงคนที่อยู่ในอยู่ในป่าอย่างเงี้ยพอได้ยินเสียงปูขนขนาดหนึ่งอ่านี่มันเสียงสังได้เสียงตึงตึงๆึง ต, งตงอ่านี่เสียงกลองแล้วเขาจะรู้ทันทีเพราะเขาเคยฟังมาก่อนแต่เช่นเดียวกันถ้าคนที่มีหูทิพย์แล้วฟังคุณสรนนิษิดอะไร่คนที่มีตาทิพย์ก็ดูว่าคุณสันนิไปไหนมาอย่างเงี้ยก็จะรู้ได้โดยอุปมาอุปไ ม, ปมยลักษณะนี้นะค่ะ แม้แต่คนที่ใช้เทคโนโลยีก็จะเป็นลักษณะว่ามันเหมือนจอคอมพิวเตอร์เลยขึ้นมาปุ๊บปุ๊ปุปอย่างเงี้ยค่ะคือดิฉันเพิ่งไปดูงานมาเดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดนึงก็ได้น ะ, ะได้ๆเป็นการทํางานของเขาเรียกว่า N Y P D หรือว่าเป็น New York Police Department ซึ่งขึ้นอยู่กับเมืองนครนิวยอร์กเทศบาลนครนิวยอร์กเขาก็มีจอเนี่ยนะคะเขาบอกกล้องเขาติดไว้ทั่วบ้านทั่วเมืองของเขาเนี่ยเป็นสามสี่พันกล้อง และทุกกล้องนี้เนี่ยก็จะเข้ามาที่ศูนย์นี้เพื่อที่จะให้นักวิเคราะห์ต่างๆคอยดูข้อมูลแล้วก็เป็นผลทําให้เขาสามารถที่จะจัดการเมืองเขาในเรื่องของความปลอดภัยลดอาชญากรรมลงในเรื่องของการจราจรในเรื่องของการป้องกันการก่อการร้ายได้<ม>อย่างมีประสิทธิภาพอันนี้มันก็ใกล้ๆเคียงๆกับเรื่องมีจิตแล้วเหมือนกันนะคะใ ช, ใช้เทคโนโลยีมากๆเข้าออ โทรศัพทเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นหูทิฟนะให้เราคุยกันได้คะ่ะดิฉันจะถามถามแต่อันนี้เป็นการคุยกับทางผู้บริหารของบริษัทไอบอเอ็มแล้วก็เขาก็บอกว่าเขาทำเทคโนโลยีเยอะแล้วเขาพูดเทคโนโลยีทํานอนเดียวกันเนี้ยเขาก็ทําด้วยใช่ไหมคะอ่าเขามาในงานกิจกรรมของบีโอที่เชิญชวนให้นักลงทุนมาลงทุนในประเทศไทยพอเขาพูดม า, มากาๆเลยทาบอกว่าอเนี่ยทุกอย่างมันต้องมีด้านดีและด้านไม่ดีเทคโนโลยีที่ท่านว่าเนี่ย มันมีด้านไม่ดีอย่างไรเขาก็บอกว่าด้านไม่ดีคือไอความเป็นส่วนตัวของมนุษย์เนี่ยมันจะหายลงไปทุกวันอืออันนี้ก็ก็เป็นเรื่องที่จะต้องบอกให้ทุกคนตระหนัดบางทีไปเข้าห้องน้ําไปที่ที่มันเป็นส่วนตัวหน่อยดิฉันยังมีความรู้สึกเลว่ามันติดตั้งกล้องทุกที่เลยหรือเปล่าอืมมันก็ต้องเรียบร้อยหน่อยอะไรย่เงี้ย <laughs> ต้องระมัดระวงังเอากลับมาเรื่องจิตเราดีกว่าคะ่ะ<อ>ความสามารถของจิต ตรงตอนนี้พูดนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องความเป็นส่วนตัวพาราฟิซีเยนะคะ่ะจริงๆแล้วสมมุติเราเราทำอะไรสักอย่างอยหนึ่งอยู่เราอยู่ข้างนอกอย่างเงี้ยเรากลัวกล้องใช่ไหแล้วก็ทําดีๆพอเรามาอยู่ในบ้านเราแน่ใจเราไม่มีกล้องเนี่ยเราจะทําไม่ดีเนี่ยจริงๆตรงเนี้ยมันยังเป็นที่แจ้งอยู่นะคือหมาย ค, ความว่าคนที่เขามีความอย่างเทวดาอย่างเงี้ยยังเห็นแน่นอนเทวดาที่อยู่ในบ้านเทวดาที่อยู่ใกล้ๆเราคอยรักษาดูแลเราเนี่ยก็จะเห็นแน่นอน นะที่เราทําไม่ดีถึงแม้เราอยู่ในที่ลับของเราก็ตามอยู่ในห้องน้ำก็ตามเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันไม่ลับนะมันไม่ลับแตนะ่มีคนเห็นเออไปถึงมีสิ่ ง, ม, งมีชีวิตอื่น่ะเห็นอยู่เราตลอดอย่างในบ้านถ้าเรามีจิ้งจกจิ้งจกก็เห็นเรานะเราอยู่ในห้องคนเดียวแต่มีจิงจ้งจกอยู่จิ้งจกเห็นเอานะมันจะมีที่ลับที่พอจะลับได้เนี่ยคือในความคิดของเราเท่านั้นเองนะเราคิดอะไรเนี่ยโอ้จิ้งจกไม่รู้แต่แต่จริงมันก็ไม่ลับหรอกเพราะว่าคนที่เขารู้ความคิดเขาก็จะมี สท่านกำลังจะบอกอะไรดิฉันแล้วก็ท่านฟังค่ะว่านะคือมันไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องลับในโลกนี้เลยนะเราทำอะไรเราต้องคอยระวังจิตของเราเนะเรื่องที่สองต้องการจะบอกก็คือว่าคนที่เขามีความสามารถพิเศษพวกนี้นะเขาจะไม่ได้ไปเที่ยวไปตามหารู้คนอื่นหรอกนะมันจะมันจะโอเวอร์อินโฟมชันะ มันจะมีข้อมูลมากเกินไปเขาไม่เที่ยวไปหาคอยส่อรู้สอ่อเห็นพระชาติก็บอกเหมือนกันว่าตัวพระองค์เองเนี่ยไม่ได้เป็นสัพพัญญยูทุกอิริบทนะะเฉพาะเมื่อต่อเมืออเมอ่อต้องการรู้จึงจะรู้เมื่อไม่ต้องการรู้ก็ไม่รู้นะอย่างเงี้ยก็ตอบคําถามดิฉันเลยนะคะว่าไม่ใช่ว่าพอมีความสามารถนี้ก็จะเห็นไปหมดได้ยินไปหมดอย่างนี้ก็คงจะอยู่ไม่สุขบ้าแล้วแต่เมื่อต้องการจะทราบอืมจะทราบได้ ะะมีความสามารถอยู่ที่จะใช้หรือไม่ถ้าแปลเป็นภาษาดิฉันอ่าใช่ใ ช, ใชค่ะทีนี้เรากลับมาถึงประเด็นที่เราพูดถึงการใช้จ่ายทรัพย์เนาะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากมาต้องการจะพูดถึงว่าคุณมีเงินเนี่ยน้อยก็ตามมากก็ตามน ะ, ะ ต, ต้องมีการใช้จ่ายในลักษณะที่ว่าออคอยดูแลญาติมิตรดูแลบุตรภรรยาทาสกรรมกร เ, ออเพื่อนร่วมงานข ม, ม่ามิตรอมาเนี่ยหมายถึงเพื่อนร่วมงานของเราคู่ค้าอย่างเงี้ยอมานนะ ถ้คาครผู้ที่ทําการแทนหรือว่าเป็นคู่ค้าของเราถ้า ก, กรรมกรก็คือลูกน้องบิดปรยาบิด า, ดามาดาที่คนในครอบครัวนะเราก็ตั้งทักษิณาธิการไว้อุทิศสมณพราหม์ที่เขาปฏิบัติดีเป็นผิชอบแลนะใช้ใจ่ายทรัพย์อย่างนี้แล้วเนี่ยนะพระเจ้ารับรองไว้นะว่าจะมีฝักฝ่ายดีมีสูตรเป็นผลตอบแทนแล้วโภคทรัพย์เหล่านั้นเนี่ยก็จะไม่ถูกโจรเอาไปไฟก็จะไม่ไหม้ทำลายน้ําก็จะไม่พัดพาไปพระราชาก็จะไม่ริบทรัพย์เอาไปได้ มันเป็นยังไงอย่างพาระราชลิบทรัพย์เนี่ยหมายความว่าคุณอาจจะต้องจ่ายภาษีย้อนหลังหรือว่าทําอะไรที่ที่มันไม่ถูกอ่ะเนะย่งถูกเก็บภาษีย้อนหลังหรือว่าถูกโกงเขาก็มาปรับคุณอย่างเงี้ยนะก็จ ะ, ะไม่เกิดขึ้นตรงเนี้ยจะมามองว่าคือถ้าเราใช้จ่ายทรัพย์อย่างถูกต้องแล้วเนี่ยนะพระเจ้าเปรียบเทียบกับสะบระบกคธรณีที่ว่ามีคนมาใช้น้ําจ่ายน้ำเนี่ยก็ทําให้สะเนี่ยมันมีคุณค่าขึ้นมาสะอาดขึ้นมา เงินทองที่เรามีเนี่ยแต่นะถ้าเราใช้ใจ่ายอย่างถูกต้องเนี่ยนะมันจะถูกการดูแลถูกการคิดคํานวณถูกการที่จะมีการมีการคนที่เอาเข้าเอาออกเนี่ยมันก็จะได้รับการดูแลอย่างดี<ภ>ไม่ไม่เสียหายไปนะแต่เงินที่ถูกเก็บจนกระทั่งโอ้โหบางบางบ้านเนะ่ยเก็บเงินไว้ในไหฝังไว<ภ>้ในดินบางทีปลวกขึ้นอย่างเงี้ยเราก็เคยเห็นแบงค์ยีปลวกขึ้นเนะี<ภ>่ยก็เสียหายไปเปล่าๆแตนะถ้าได้มีการใช้มีการทําความสะอาดมีการ มาดูแลอยู่เรื่องเงินนั้นก็จะมีประโยชน์งอกเงยขึ้นมานะค่ะคือคือบางคนต้องพูดว่าคือไม่ใช่เก็บเงินไว้จนกระทั่งเงินมันเนา่ามันเสียแตบางคนอาจจะเก็บไว้ในธนาคารแต่ว่าบางทีมันจะไม่ได้เกิดประโยชน์เปรียบเหมือนกับสะบบกกรณีที่ไม่มีใครมาใช้มันก็จะเสียหายไปค่ะแล้วเรื่องการใช้ใจ่ายทรัพย์นี่เราจะแบ่งจ่ายยังไงะเนะอันนี้สําคัญเหมือนกันทีนี้ ที่พูดถึงมาเมื่อสักูเนี่ยคือถ้าคุณมีเงินมากนะทีนี้ถ้าเรามีเงินพอประมาณเราจะแบ่งใช้จ่ายทรัพย์ยังไงผู้เชี่ก็แบ่งให้แบ่งเป็น4ส่วนนะส่วน4ส่วนนี้ไม่ใช่หมายความว่า4ส่วนเท่ากันนะนะคือ4ส่วนแล้วแต่ความจำเป็นของเราแต่ให้มีการทํางบประมาณใน4ส่วนนี้นะมากน้อยแล้วแต่นะมากน้อยแล้วแต่คือส่วนแรกเนี่ยคือเอามาใช้จ่ายที่ในครอบครัวที่เราพูดไปเนี่ยเลี้ยงบุตรภรรยาทาสกรรมกร ทั้งชายหญิงเพื่อนคู่ค้ามิตรอมมาดพวกนี้เลี้ยงให้ <Okay. S 1> เป็นสุขให้อิ่มหนำควาว่าเป็นสุขให้อิ่มหนำเนี่ยบริหารให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องคือคื อ, คอตามตามงบประมาณที่เราม <Okay. S 1> นะีคือถ้าคุณมีมากคุณก็ใช้ใจ่ายในกรณีที่เหมาะสมถ้าคุณมีน้อยคุณก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์เอาคุณมีมากคุณจะขับเบนซ์ก็ได้เนาะข้อที่2คือต้องใช้จ่ายในการที่ปิดกั้นอันตรายนะทําตนให้สวัสดีจากอันตรายทั้งหลาย <Okay. S 1> นะเช่นจ่ายประกรัน นะจ่ายภาษีนะจ่ายค่ายามนีพวกนี้น่ะอันตรายจากอะไรนะพุทเจ้าก็บอกถึงจากไฟจากน้ําจากพระราชาจากโจรหรือจากทาติที่ไม่เป็นที่รักนะอันนี้ต้องคอยรักษาค่ะข้อที่3นะใช้เงินในการทําพลีกรรนะพิกรรคือการสงเคราะห์นะสงเคราะห์ญาติอย่างเมื่อที่เราจะให้ญาติยืมอย่างเงี้ยนะอยู่ในงบประมาณส่วนนี้นะคือเพราะว่าถ้าให้ญาติแล้วเนี่ยคุณจะไปหวังเอาคืนนะ เคือบางทีเราต้องเผื่ อ, อไวเลยแต่วันนีถ้าเราจัดสรรงบประมาณตรงนี้ไวว่เาเราจะสงเคราะหญาติเดือนนี้เท่านี้แล้วก็ให้เขายืมได้เท่านี้แหละถ้าจะเขาจะคืนก็ถ้าเขาจะยืมใหม่ก็เอาของเก่ามาคืนซะก่อนอย่างเงี้ยนะ <c oughs> อ, อย่างที่2ก็คือสงเคราะห์แขกแเราต้องเตรียมอาจจะที่ทางให้แขกมาบ้านหรือว่าซื้อของไปฝากเขาอย่างนี้ก็มีแลสงเคราะห์ผู้ที่ลงรับไปแล้วลเช่นการทาบูชาในรูปแบบต่าง นะสงเคราะห์ชาติช่วยชาตินะชาติต้องการอะไรเราช่วยบริจาคนะมูลที่ต่างๆนั่นนี่เราก็บริจาคไปนะหรือว่าสงเคราะห์เทวดาเนะีเทวดาในที่นี้ต้องอธิบายนิดหนึ่งคือ ม, มีสองไนยะในพระเจ้าเคยพูดถึงเทวดาที่เป็นกายทิพย์ก็มีน ะ, ะที่อยู่เหนือภพภูมิเราขึ้นไปหรือเทวดาที่อยู่เป็นคนก็มีนะคือบางทีเราอยู่ในสถ า, านการณ์ที่ลําบากขับขันอย่างเงี้ยโอไม่มีใครช่วยเลยจนถ้ามีคนสักคนใดคนหนึ่งเห็น มาช่วยเราอย่างนี้โอ้หคนนั้นเปรียบเสมือนเทวดาจริงๆในอย่างบางคนตกในสถานการณ์ที่ธนาคารก็จะยึดบ้านแล้วนะไม่มีทํำยังไงดีในะมีคนเอาเงินมาให้ยืมบดีเนี่ยโอ้โหช่วยกูส้สถานการณ์ได้คนนั้นเปรียบเสมือนเทวดาของเราเลยเราคนที่จะแบ่งจ่ายทรัพย์ที่เรามีบ้างเนี่ยให้สงเคราะห์เทวดาอย่างนี้นะก็ก็ก็ควรจะทำและยางคนไข้อย่างเ น, นี้ นะมีหมอมารักษาเราในโรคที่เราเป็นมานานแล้วเรื้อรังไม่หายหมอมาช่วยรักษาโอ้โหหมอนั่นเปรียบเสมือนเทวดาจริงๆเลยนะเขาก็จะเอาขนอะไรต่างๆเอากล้วยเอาอะไรของกินไปให้หมออย่างเงี้ยก็นะ <Okay. S 1> เรียกว่าขวัญข้าวค่าขันข้าวเ น, นี่ยนะ <Okay. S 1> ก็ก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เป็นอยู่ในส่วนของการสงเคราะห์เทวดาตรงนีนะ <Okay. S 1> ้ส่วนข้อที่4ี่นะคือการใช้ใจ่ายทรัพย์ในการตั้งไว้นะอุทิศสมณพราหมณนะ์ผู้ที่ปฏิบัติปรีชอบ ก็จะเป็นส่วนแห่งบุญที่มากขึ้นไป <Okay. S 1> นะสี่สถานนี้นะควรจะต้องใช้ถ้าบอว่าเงินของเราเนี่ยที่เงินเข้ามาทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยหมดไปหายไปโดยที่ไม่ได้แบ่งจ่ายทรัพย์ในสีหน้าที่นี้นะโอ้ไม่ถูกต้อง <Okay. S 1> นะคุณยังไม่ใช่อริยาบุคคลนะคือหมายถึงว่ายังไม่ใช่คนประเสริฐนะคนประเสริฐเนี่ยคุณจะต้องมีการจ่ายใช้จ่ายทรัพย์ใน4สถานนี้นะมากน้อยแล้วแต่นะ <Okay. S 1> แ, ตนะแต่ให้มีการแบ่งงบประมาณในการทําตรงนี้เราจะเรียกว่า เป็นผู้ที่ปฏิบัติแล้วโดยชอบด้วยเหตุผลท่านุชายกย่องคนประเภทนี้บางคนอาจจะบอกว่าโอใช้มาอยู่ตั้งนานเพิ่งรู้ว่าถ้าใช้เงินเป็นนี่ต้องอย่างแรกใช้จ่ายในครอบครัวให้เป็นชุดอิน้ำก่อนใช่ใชแล้ประการที่สองก็ปิดกั้นอันตรายประการที่สาทำธุรกรรมประการที่สี่ยังไงนะคะคือตั้งไว้คืออุทิศสมณพราหม์อุทิศสมณราณคือพระทรงเรือกก็ตามที่ปฏิบัติปฏิบัติช เราทา <ำ S 2> ทักซินทธานอุทิธานเหล่านี้ค่ะนะคะแล้วนี่ก็เป็นหลักการลองไปตั้งหลักการจัดสรรเงินของท่านแล้วดูซิว่าเงินมันไม่ได้หายไปไหนนะคะเพราะเป็นการใช้จ่ายที่จะทําให้เงินนั้นถึงแม้ใช้ไปถ้าใช้ถูกที่อาจจะเท่ากับมีเงินเพิ่มปูนโดยไม่ต้องหาเงินได้เพิ่มมากขึ้นก็เป็นได้คือเงินในที่นี้คืออริยทรัพย์น ะ, ะอริยทรัพย์คือบุญเราเพิ่มเปิดปูนขึ้นมา เป็นวิธีการที่พระพุทธองค์พระาศาสดาของเราได้ตรัสสอนไว้แล้วท่านเปนบุญนํามาฝากนะคะท่านบุญค่ะวันนี้ก็กราบนืวัสกขารขอพระคุณอย่างยิ่งเลยค่ะเชิญปานค่ะเมื่อพูดถึงใช้จ่ายในการบูทิศให้กับสมณพราหมณ์สมณพราหมณ์ช่วงออกพรรษาปุ๊บก็จะเป็นเรื่องของการที่อาจจะมีความจําเป็นที่จะต้องใช้พวกผ้าสบงจีวรนนะคะที่พระพุทธองค์ได้วางระเบียบเอาไว้ว่า หาไปเองไม่ได้ต้องให้มีคนหาไปถวายนะคะีค่ะจึงมีประเพณีการทอดกรถิ่นขึ้นมาแล้วก็ที่วัดฝาดอนไ้โซกจะมีวันที่11เดือนสิอคือเดือนพฤศจิกาส่วนวันาประพงษ์ลำลูกกาครองสิบนะคะก็จะมีวันที่สเดือนพฤศจิกาเช่นเดียวกันวัดอื่นๆก็คงจะทําในเดือนเนะะี้ยค่ะจะมีเยอะมากเลยนะคะก็สุดแท้แต่ว่าท่านจะศรัทธาที่ไหนยอย่างไรแต่ถ้าเป็นวัดที่พระภิกษุนันจรารยการใน สถานีเราก็จะสะดวกหน่อยในเรื่องของรายละเอียดที่เราช่วยประสานให้ได้ท่านโทรมาที่022690006สัปดาห์นี้นี่ต้องขอขอบพระคุณท่านพิบูรเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่ท่านช่วยทําให้กับรายการตั้งแต่ตอนต้นเป็นต้นมาส่วนท่านมาร์กนี่เดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็ไปพบกับท่านท่นพิบูลเองไม่ได้ไปไหนนะคะหยุดสาร์าทิต์ท่านจะไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเวลาเดียวกันท่านฟังก็สามารถจะไปเปิดฟังที่นั่นได้ด้วยเช่นเดียวกันส่วนรายการดิฉัน สันสนสัมนนานก็ต้องที่เ m 1 0 6รอยครอบครัวข่าวแห่งนี้นะคะวันนี้พุทธวัตรสวัสดีค่ะ